สิขาบทวิพังหนึ่งพัาว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็อใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์มว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามีอายุครบยีสิปีคือมีอายุถึง20ปีที่ชื่อว่ากุมารี พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสามเณรีคำว่าตลอดสองปีคือสิ้นสองปีที่ชื่อว่าผู้ได้ศึกษาศิกขาคือผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อแล้วที่ชื่อว่าสงยังไม่ได้สมมติคือสงยังไม่ได้ให้วุฒิฐานสมมติด้วยยติทุติยกรรมคำว่าบวชให้คืออุปสมบทให้พิกษตรีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวร หรือสมมุติสีมาต้องอบัตทุกกฎจบยติต้องอบัตทุกขกดจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุกขกดสองตัวจบกรรมาารออกกวจรรมาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปชาต้องอบัตปาจิตติคณะและอาจารย์ต้องอบัตทุกขกด